รงกับวันที่16มีนาคม2539นับเป็นครั้งที่9ของการบรรยายธรรมเรื่องประวัติการบรรลุธรรมของพระอริยะสาวกโดยอาจารย์สุเทิโพธิสัตธาขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ค่ะพระคุณเจ้าท่านสาธุชนผู้ใครทธรรมทั้งหลายวันนี้จะนำเรื่องราวของ ชีวิตการปฏิบัติธรรมของพระเถระองค์ที่ได้กล่าวค้างอยู่มาเล่าโดยสังเข็สืบต่อไปองค์ลำดับแรกของวันนี้เป็นองค์ที่ห้าสิบเก้าของพระเถระทั้งหมดนะครับที่ได้พูดมาโดยลำดับองค์ที่ห้าสิบเก้านี้มีชื่อว่าพระ โ ก, โกสัน ล, ลวิหารีโกสัน ล, ลวิหารีก็แปลว่าพระผู้อาศัยอยู่ที่แคว้นโกสนเรื่องราวของท่านผู้นี้คล้ายกับพระเถระองค์ที่ห้าสิบห้าองค์ที่ห้าสิบห้าที่กล่าวถึงมาแล้วคือท่านอัญชนะวณิยะไม่ทราบว่าครงกันไหมครับหรือผมข้ามไปไม่ทราบข้ามนะอ๋อข้ามไปไหลายองค์อย่างนั้นก็เอาเป็นห้าสิบหกและมั้งครับ ห้สิบหกนะคราวที่แล้วนะํามาจบที่ห้าสิบห้าใช่หมห้าสิบสามแลห้าสิบห้าห้าสิบห้าเล่าแล้วนะห้าสิบห้าเล่าแล้วก็เป็นองค์ที่ห้าสิบหกนะห้าสิบหกองค์ที่ห้าสิบหกมีชื่อว่ากุติวิหารีครับเ อ, อโดยชื่อของสั้นก็แปลว่าพระ ท, ที่อยู่ที่กุติ อ, อแปลอย่างนี้ก็อาจจะนึกว่ามีพระองค์ไหนไมาอยู่ที่กุติ คือที่ตั้งชื่ออย่างนี้เพราะว่าได้เกิดเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับเรื่องกุติที่ท่านอยู่ว่ากุติตรงนี้หมายถึงอะไรจึงได้เอาอชื่อกุติมาเป็นชื่อของท่านว่ากุติวิหารีพระภิกษุผู้อยู่ที่กุติอประวัติของพระองค์นี้ในส่วนต้นนั้นเหมือนกับองค์ที่ห้าสิบห้าคือเป็นชาวแคว้นวัชีเกิดในเมืองเวสาลี ก็เป็นลูกเจ้าเหมือนกับองค์ที่ห้าสิบห้าทุกประการครับประวัติอื่นๆนั่นเหมือนกันที่ว่าเหมือนกันต่อไปด้วยก็คือว่าได้ความเลื่อมใสรวมทั้งได้การออกบวชเมื่อคราวที่พระผู้มีพรภาคเสด็จไปโปรดชาวเมืองเวสาลีเมื่อเกิดขยานะขึ้นสามประการในภาษาที่ห้าดังที่ได้กล่าวแล้วเมื่อท่านได้บวชแล้วจุดที่ท่านจะได้บรรลุธรรมสําหรับท่าน อ, องค์ที่ห้าสิบหกเนี่ยนะฮะ ก็เล่าว่ามีวันหนึ่งเป็นเวลาเย็นท่านได้ออกเดินไปที่แถวทุ่งนาแห่งหนึ่งในขณะที่เดินอยู่ที่ทุ่งนาแห่งนั้นในเวลาเย็นก็มีฝนลงเม็ดคือฝนกำลังจะลงมือตกแล้วเรียกว่าฝนลงเม็ดท่านก็ไม่ได้เตรียมสิ่งกำบังฝนไปด้วยก็เห็นว่าเมื่อฝนจะลงเม็ดแล้ว จึงได้หลบเข้าไปที่กุติอาบาลีใช้คำว่ากุตินี่นะแต่หมายถึงเถียงนาประทางอีสานเรียกว่าเถียงนาแล้วบางทีอาจจะเรียกว่ากระท่อมหรือเรือนเป้านาหรือห้างนาก็ได้อาณภาพาอาจจะแตกต่างกันไปแต่สำหรับกุติของชาวนาที่พระองค์นี้หลบเข้าไปนั้นเป็นกุติที่ เ, เรียกว่าติดดินนะ ก็หลบเข้าไปเพื่อที่จะหลบผลแต่วิสัยของผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อไปนั่งอยู่ที่ใดนอนอยู่ที่ใดพักอยู่ที่ใดก็อดไม่ได้ที่จะประพฤติธรรมและถ้าหากว่าที่หลบนั้นเป็นที่ที่ตัวเองเห็นว่าเป็นสัปเพยะก็เกิดความรู้สึกเป็นวิเศษว่าที่นี้น่าจะประพฤติธรรมดังนั้นพระคุณเจ้าลูกนีเห็นว่าเอเถียงนานี้เป็นสัปยะเป็นสัพยะที่ควรแก่การประพฤติธรรม ก็จึงได้ลงนั่งกรรมาฐานที่นั่นก็เลยเล่าว่าเพราะฝนตกอากาศกําลังสบายดีถ้าเป็นเราก็เรียกว่าหน้านอนแต่ของพระท่านว่นาปฏิบัติธรรมและกุฏินี้มีฐานะเป็นเหมือนศูนยยาคาร์ศูนย์ยาคารแ์แปลว่าเรือนว่างคําว่าเรือนว่างนั้นจึงมีบทอธิบายว่ากุฏิของชาวนาก็ตามก็เรียกว่าเรือนว่าง คือว่างคนทั้งในเรือนกุฏินั้นแล้วก็ว่างทั้งคนที่อยู่โดยรอบห่างไกลผู้ห่างไกลคนซึ่งอาจจะแตกต่างกับสาลาที่ปลูกไว้ในกลางหมู่บ้านหรือซัาสาลาพักร้อนยังแวดล้อมไปด้วยบ้านเถียงนานั้นเหมาะเพราะว่าไม่แวดล้อมไปด้วยผู้คนถึงแม้ว่าที่นี่จะมีเจ้าของแต่การมาพักอย่างนี้เป็นการพักชั่วคราวด้วยอาศาาัยหลบฝนเจ้าของกุฏิก็ไม่คงไม่ว่าแน่ ท่านก็ปฏิบัติธรรมอยู่ที่นั่นก็เป็นการบังเอิญเหลือเกินครับท่านได้บรรลุธรรมที่เถียงนาที่เรือนว่างแห่งนี้เมื่อบรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็ปรากฏว่าเจ้าของนาคือเจ้าของเจ้าของนาเจ้าของเรือนว่างนี่แหละครับแล้วเดินทางกลับมาเห็นพระอาศัยอยู่ที่เรือนของตัวธรรมดาผู้ที่เป็นเจ้าของสถานที่และเมื่อมี แขกแปลกหน้าคือนักโบสถหรือพระภิกษุมาอาศัยนั้นก็จะเกิดความรู้สึกเป็นสองอย่างนะอย่างหนึ่งก็คือไม่ชอบโดยเฉพาะในอินเดียนะถ้าเป็นนาของพวกพราหมณ์ก็จะมีความรู้สึกว่าถ้ามีภิกษุที่เขาเรียกว่าสมณะโลนมาอาศัยอยู่อย่างนี้เขาไม่ชอบใจถือว่าเป็นการไม่ดีเป็นเสนียดเป็นอัปองมงคลอาจจะทําให้การทำไร่ทํานานั้นไม่ได้ผลหรือเกิดภยัยวิบัติขึ้นก็ได้ แต่สำหรับโยมผู้นี้นะจะคิดอย่างไรไม่ทันปรากฏพระท่านได้กล่าวเป็นคาถาให้โยมเจ้าของกุฏิฟังเพื่อให้เกิดโสมนัสเป็นทํานองพูดว่าอุบาสกการที่มีพระภิกษุมาอาศัยหลบฝนปฏิประพฤติธรรมและพบธรรมในสถานที่ของท่านก็ชื่อว่ากุฏิของท่านหรือเถียงนาของท่านนะั้นเป็นสถานที่ที่ ไม่ไร้แก่นสารนี่เป็นภาษาที่ท่านพูดที่ว่าไม่ไร้แก่นสารเพราะว่าเป็นที่ที่ทําให้ได้สาระในทางธรรมะแก่อาตมาภาพแล้วก็ทําให้ได้สาระในทางบุญแก่โยมผู้เป็นเจ้าของแต่หากว่าโยมจะพึงยินดีก็ชื่อว่าเถียงนาของโยมเนี่ยได้เหมือนเป็นกุติวิปัสนาพูดอย่างภาษาของเรานะเป็นกุติวิปัสนาที่มีประโยคาวจรมาอาศัยอยู่และปฏิบัติ กรรมฐานจนบรรลุเป็นพระอราหันต์ที่นี่ควรจะดีใจก็เป็นการบอกแกโยมอย่างนั้นโยมก็ฟังแล้วก็เกิดความรู้สึกปีติสมานัดขึ้นด้วยคำชี้แจงของพระเถลานีเพราะว่าพระที่บรรลุเป็นพระอราหันต์สดๆดร้อนร้อนนี้นอกเหนือไปจากคำชี้แจงแล้วเนี่ยก็ยังนับว่าน้อยไปแต่สิ่งที่ตายเห็นได้ก็คือว่าสัจภาพของพระที่เห็นในขณะนี้ มีสภาพที่เรียกว่าพองใสเปล่งปลัง่งอย่างชนิดที่เห็นแต่ตาก็ชวนเลื่อมใสยอยู่แล้วและท่านเมื่อได้ยืนยันอย่างนี้ก็เป็นที่เชื่อสนิทใจแก่ชาวนาผู้นี้ก็เป็นนันว่าได้ทั้งความสุขและได้ทั้งบุญอนี่ก็เป็นประวัติท่านเล่าถึงจุดนี้แค่นี้ไม่ได้เล่าว่าปฏิบัติอย่างไรบรรลุอย่างไรนะครับเราได้คดติเรื่อง อาเสนาสนะสาปะยะเป็นตัวอย่างเรื่องสมยาคานคือเรือนว่างที่พระผู้มีพระภาคมักจะตรัสชี้ชวนเกศพิสุเมื่อแสดงธรรมจบว่าดูก่อนอานอนท์บ้างดูก่อนพิกสุบ้างดูก่อนพิสุทั้งหลายบ้างว่านุ่น โ, นโคนไม้นุ่นเรือนว่างเธอจงเพิ่มพูนหรือพอกพูนฌานวิปัสสนาเถิดมันนี่ก็เป็นตัวอย่างเรื่องเรือนว่าอพระเถระรูปนี้ในอดีตชาติ สมัยพระปัทรมุตตระพุทธเจ้านั้นได้ทําบุญไว้ด้วยอาการแปลกอย่างหนึ่งอเราฟังไว้เพื่อให้เห็นเป็นตัวอย่างในทางความเข้าใจเรื่องการถาวายคือเรื่องของท่านที่จะเล่าถึงบุพกรรมของท่านเนี่ยเราจะถือว่าเป็นการถาวายทานโดยเคารพหรือไม่เคารพเป็นการถาวายทานโดยทิ้งกว้างหรือไม่ใช่โดยทิ้งกว้างลองฟังดูนะคือครั้งหนึ่งนี่พูดถึงในสมัยพระ ปาตสมุทตะราพุทธเจ้า อ, อท่านพระคุณเจ้ารูปนี้ในตอนนั้นซ<ม>ึงยังไม่ได้บวชเป็นเจ้าบ้านคนหนึ่งเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมาโดยทางอากาศพูดง่ายว่าเหาะผ่านไม่ใช่บ่านหน้านะครสูงไกลเกินหน้าไปเยอะแหละแต่เห็นว่า อ, อมีนักพรตเหาะเหินผ่านหน้าตัวเองไปเห็นตอนหน้าต่อตาเลยว่านะัพระแน่เหาะแน่ แต่ห่อไปไหนไม่รู้เพราะเห็นอย่างนั้นนะก็เรียกว่าเกิดความรู้สึกเลื่อมใสเลื่อมใสจะไปควักมือเรียกท่านก็ก็ตอนนั้นไม่ได้คิดแต่ถ้าอย่างเราไปเห็นเขาคงจะต้องคิดว่าต้องทาอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งกับภิกษุที่ขอให้เห็นต่อหน้าต่อตาไม่ได้มีเจตนาจะมาอดเราเนี่ยนะห่อผ่านอุบาสบกกาลังถือหม้อน้ําอยู่ ไม่มีสิ่งอื่นจะทำการบูชาก็จ ะ, ะบูชาด้วยหม้อน้ำทีนี้ทำอย่างไรแหละถึงจะทำให้หม้อน้ำเนี่ยเข้าไปใกล้ชิดท่านมากที่สุดจะวางอยู่กับพื้นก็กลายเป็นห่างตัวท่านออกไปอีกหน่อยก็จึงได้โยนขึ้นไปบนอากาศโยนหม้อน้ำขึ้นไปบนอากาศด้วยสัญญาในใจว่านี้คือทานอันให้เพื่อเป็นการบูชา สมณะที่กำลังเหาะเหินผ่านหน้าตัวไปเกิดปีติโสมนัสแล้วก็สิ่งที่ทำให้โสมนัสมากยิ่งขึ้นก็คือพระปัมุมตราพุทธเจ้านั้นทรงถ้าเป็นภาษาโรากเรียกว่าเบลกกระทันหันประทับยืนกลางอากาศแล้วก็เอื้อมพระหัสรับ หม้อน้าของอุบาสกนั้นไว้เพื่อแสดงการอนุเคราะห์เพื่อทําให้เห็นว่าสิ่งที่เขาได้ถวายด้วยความเคารพนี้เราได้รับก้ามือจริงๆอุบาสกก็โสมนัสปีติเป็นโลภนลนี่เป็นเรื่องที่ในคัมภีร์เล่าเป็นบุปกรรมไว้เ อ, ออย่างนี้นะที่ผมถามเมื่อกี้ว่าเป็นการทําทานด้วยความ เคารพหรือด้วยการทิ้งทิ้งกว้างตอบว่านี่ไม่ใช่ทิ้งกว้างที่ไม่ใช่ทิ้งกว้างเพราะว่าอาการทําอย่างนี้เหมือนจะคว้างขึ้นไปหรือโยนขึ้นไปแต่เจตนานั้นไม่ใช่ทิ้งกว้างเดี๋ยวว่าเราให้ในสภาพอย่างนี้โดยประการอย่างไรก็ให้อย่างนั้นเหมือนอย่างเขาโยนโดนบัวนะฮะพิธีออย่างแถวบางพลีที่ทํามานานแล้ว ชาวบ้านอยู่สองข้างฝั่งคลองเวลาแห่ลงพ็อโตมาเนี่ยชาวบ้านอยู่ริมตลิงจะจะไปกวากมือให้ให้เรือเข้าแวะรับทุกทุกคนไปไม่ได้เพราะนั้นแต่ละคนก็ใช้วิธีกว้างดอกบัวเรียกพิธีโยนบัวใช่ไหมพิธีโยนบัวเป็นการทำความเคารพอย่างหนึ่งเป็นบุญอย่างหนึ่งอันนี้ก็เห็นจ ะ, ะคลายกันเล่าประิกันได้ อันนี้เป็นประมวัติท่านผู้นี้นะฮะต่อไปอีกองค์หนึ่งเป็นองค์ที่ห้าสิบเจ็ดองค์ที่ห้าสิบเจ็ดชื่อว่าทุติยกุติวิหารีก็แปลว่าพระภิกษุรูปหนึ่งที่อาศัยกุติองค์ที่สองนั่นเองจริงใช้คำว่าธุติย ะ, ะเรื่องของท่านผู้นี้ให้ความคิดในเรื่องกรรมะปริพลดปริพลด ที่เราเคยได้ยินมีหลายอย่างอาวาสมีคันสาบริโโทษการศึกษาเราเรียนก็เป็นบริโโทษแล้วก็มีบริโทษอันเรียกว่ากร ม, มะบริโโทษคือหมายถึงบริโโทษในเรื่องการงานคำว่าบริพโทษในเรื่องการงานที่ใช้กับในทางพระเนี่ยท่านหมายถึงการสร้างกุฏิวิหารสร้างวัด ภิกษุใดที่เป็นผู้มีภารกิจที่จะต้องสร้างวัดสร้างวาตั้งแต่สร้างกุฏิของตัวเองขึ้นไปจนถึงถึงวัดทั้งวัดเนี่ยเรียกว่าเป็นผู้ที่มีกรรมะบริโภคทำให้การปฏิบัติธรรมนั้นไม่เกิดผลหรือเกิดผลได้ยากเย็นแสนเข่นท่านผู้นี้นะกุฏิของท่านกลายเป็นสิ่งที่ทาให้ท่านบรรลุธรรมไม่ได้ กลับตลบปัดกับองค์เมื่อกี้ก็เล่าโดยลําดับว่าอย่างนี้อท่านผู้นี้มีประวัติเบื้องต้นเหมือนกับองค์เมื่อกี้แหะครับเป็นชาวเมืองเวสาลีลูกชาวเหมือนกันได้ออกบวชในโอกาสเดียวกันคือเมื่อพระผู้มีภาะเสด็จไปที่เมืองเวสาลีแล้วก็เมื่อได้ออกบวชแล้วนี่ก็เริ่มมีชีวิตที่แตกต่างเป็นของเฉพาะตัวท่านขึ้นคือท่านได้ บวชแล้วก็ไปอยู่ที่กุฏิเก่าหลังหนึ่งกุฏิที่ไปอยู่นั้เป็นกุฏิเก่าเมื่อไปอยู่ที่กุฏิเก่าปรากฏว่าความเก่าของกุฏินั้นทำให้ท่านเกิดประโภช์เพราะได้ความคิดว่าเราควรจะก่อสร้างกุฏิใหม่ก็พยายามเตรียมการที่จะสร้างกุฏิหลังเก่าให้เป็นกุฏิใหม่ความคิดก็ดี ความเป็นไปของกายก็ดีเลยสาระวนวุ่นวายเป็นกังวลอยู่เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างกุติท่านจริงใช้คำว่าไม่เป็นอันสมณะไม่เป็นอันประพฤติสมณะธรรมไม่เป็นอันบําเพ็ญธรรมเพราะบริโภคเรื่องกุติอเรื่องอย่างนี้นะ่ะความจริงทั้งพระทั้งโยมก็เหมือนกันก็ขนาดเราเราไม่ได้ทํากรรมฐ า, านเนี่ยลองไกลปลูกบ้านกันสิก็เห็นบางท่านถึงขนาดไม่รับกิจนิมนต์เลย หมายถึงไม่ยึดลระนั้นนี่นับรรยาาธรรมะเนี่ยอ้างว่ากำลังปลูกบ้านทุกสิ่งทุกอย่าง้นมาปนเปกันหมดแล้วก็ต้องห่วงใยกังวลดูแลสารพัดเรื่องวุ่นวายมากวุ่นวายมากยิ่งกว่าพระสร้างกุติเยอะก็มีเทวดาองค์หนึ่งที่อยู่ในที่แห่งนั้นเล็งเห็นว่าพระกุเจ้ารูปนี้กำลังมีกรรมะบริโภทด้วยเ่งกุฏิ ทำอย่างไรจึงจะเปื้นบริโภคของพระผู้นี้ได้เทวดาจึงได้กล่าวให้ขอคิดว่ากุฏิเนี่มีแต่เขาจะลือไม่มีใครคิดจะสร้างใหม่แต่ท่านเนี่ยพยายามจะสร้างกุฏิใหม่เมื่อท่านสร้างกุฏิใหม่กุฏิใหม่ของท่านก็จะต้องมีต่อไปไม่รู้จบเทวดาผู้กำกับนะฮะนี่คล้ายๆเอาในพุทธเจ้ามาตรัส มาพูดพระผู้มีพระตัสว่าเราเป็นผู้ตามหาในช่างกู้สร้างเรือนเรือนคืออาตภาพคืออุฏิ อ, อ, อตตยบัดนี้เราได้ลือ้อเรือนคืออตาตภาพได้แล้วท่านไม่อาจจะสร้างเรือนคืออตาตภาพของเราต่อไปได้แล้วเพราะนั้นพบใหม่ก็ไม่มีเพราะนั้นเทวดาพูดอย่างนี้กำลังบอกพระว่า การที่ท่านขวนขวายสร้างกุติจนไม่จนเป็นเหตุทําให้การพระพืติจําท่านเสียหายเนี่ยขันของท่านอัถภาพของท่านกุติใหม่ของท่านก็จะเกิดขึ้นใหม่ปรากฏต่อไปต่อไปไม่รู้จบแต่ถ้าหากว่าท่านไม่คิดสร้างกุติใหม่กุติท่านเป็นกุตินอกคือกุติที่อาศัยอยู่กับกุติคืออัตภาพของท่าน ก็จะเป็นอันไม่มีให้อาศัยต่อไปก็คือเข้าอนุปาทิเสสนิพานเทวดาให้ข้อคิดญานี้พระท่านก็นึกได้คิดออกจากเรื่องกุฏิข้างนอกเข้ามหากุฏิข้างในเกิดวิริยลัมภะเกิด ค, ความสลดใจเลยไม่คิดคือตัดใจเรื่องจะจะจะจะปรับปรุงกุฏิใหม่สร้างกุฏิใหม่ปฏิบัตริทรรมอย่าง เข้มข้นจริงจังจนกระทั่งบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ในเวลาไม่นาน เ, าเรื่องเทวดาที่มาเกี่ยวข้องกับพระปฏิบัติธรรมเนี่ยผมว่าเป็นข้อดีอย่างหนึ่งถึงว่าไม่ใช่ผู้ปฏิบัติธรรมถึงเราเป็นคนธรรมดาเนี่ยครับถ้าเรารู้ว่าที่บ้านเรานะมีเทวดาอยู่เทวดาคอยตาดูพฤติกรรมเราอยู่ เราจะไปที่ไหนทําอะไรเทวดาคอยดูพฤติกรรมเราอยู่แล้วก็ไม่ใช่ดูเฉยๆอาจจะมาแสดงตัวให้เราดูได้ด้วยอาจจะมาเตือนเราได้ด้วยเชื่อไหมครับว่านี่พูดถึงเทวดานั้นต้องดีนะไม่ใช่เทวดาไม่ดีเราจะมีความระวังตัวมากจะละอายมากจะทําอะไรนิดหๆหน่อยเนี่ยครับจะระวังจะอายถึงขนาดบางทีต้องบอกว่าเวลานี้ขอเวลานอกขอเวลานอกเพื่อจะ ท, ทํากิจส่วนตัว เลัวแหนเถร ว, วดาจะเข้าของน้างก็จะเข้าด้วยยุ่งไม่างี้ยอขอเวลานอกเนาะวันนั้นก็เลยมีสำนวนหนึ่งของพวกที่ที่มีประสบการณ์ชีวิตเป็นอย่างนี้ใช้คําว่าขอเวลานอกนะฮะหรือบางท่านก็ใช้วิธีอธิษฐานกั้นฉากแบบบนสวรรค์ก็ทํากันพอบนสวัรเนี่ยเขามีใครก็ามีตาทิศนั่นมองสะลุสังหรวง ทีนี้ไอ้ทะลวงแล้วมันไปเห็นกันไอ้บ้านนี้ก็มองไปถึงห้อง<ม>บ้านโน้บ้านโนมองไปถึงห้องบ้านนี้มันมองก็ไม่เห็นเนี่ยเพราะว่าพวกนี้เขามีอาอธิษฐานว่าถ้าไม่ประสงค์ให้เห็นก็ไม่เห็นนะก็เลยเนี่ยเวลาจะทําบาปก็ต้องขอเวลานอกไอ้ที่จะทําบุญไม่ต้องขอแล้วอยากจะหวดเทวดาแต่ว่าเอาว่าเป็นหลักรวมๆเนี่ยคนที่เชื่อเทวดาและเทวะเทวดอา่ารู้เทวดารู้แล้วก็ตัวเอง เ, เป็นผู้ที่เทวดามาทำให้รับรู้เขารู้เนี่ยจะมีความรู้สึกหลากหลายจริงๆเพราะฉะนั้นพระที่ท่านไปปฏิบัติกรรมฐานอยู่ในป่าแต่ในสมัยพุทธกาลมาแล้วแม้ในยุคนี้และเทวดาเข้าไปเกี่ยวข้องได้เนี่ยพระเหล่านี้มักจะบรรลุธรรมเร็วจะอยู่ในกรอบที่เรียบร้อยดีนะเดี๋ยวนี้เราไม่เชื่อเราไปอ่านประวัติพระรุ่นๆนี้ก็ได้ จะจะเหมือนกันและท่านเหล่านี้จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าโอดตับปะคือความละอายไม่ทําบาปแล้วก็เกิดวิญยาลํมพะคือพยายามทําความเพียรเพราะรู้หรืออทําให้เทวดารู้หรือเทวดาก็รู้อยู่ว่าเราไม่อยู่ป่าไม่ใช่มานอนอยู่เฉยๆต้องไม่ทําความชั่วแล้วต้องทําอะไรด้วยเทวดาก็จะอนุโมทนาส่งเสริม เราก็ได้กําลังใจหลายอย่างที่อย่างน้อยเนี่ยอย่างที่โบราณว่ามนุษย์ไม่รู้เทวดาก็รู้คือถึงเราไม่รู้ว่าเทวดารู้หรือเปล่าแต่พอจะเชื่ออย่างนี้บ้างก็ยังมีผลอยู่ไม่ใช่น้อยทียนี้มาพูดถึงว่าที่ว่าในเทวดาดีนี่ถ้าเป็นเทวดาไม่ดีคือพวกมารหรือพวกขัดขวางคือมารมารจริงๆหรือมารเพราะว่าเขาต้องการจะขัดขวางในเหตุผลใดก็ตามถามว่ามีผลทําให้คน ประพฤติธรรมเนี่ยย่อหย่อนละไม่ละอายต่อบาปหรือเกิดความละอายต่อบาปกลัวต่อบาปแล้วก็ไม่ย่อหย่อนตอบว่าไม่ย่อหย่อนครับอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกอย่างหนึ่งคือแล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เห็นได้เดี๋ยวนี้ด้วยไม่ใช่เฉพาะสมัยก่อนอย่างสมัยก่อนเนี่ยพระพุทธเจ้าจะสอนเลยว่าจะต้องไม่ ไม่ให้อารมณ์แก่มานกระทําอันที่จะไม่ทําให้มานได้ช่องหมายว่ามานเนี่ยเขาคอยจะอยากแค่เราทําความชั่วแล้วก็โอกาสที่เขาจะย่ายีเราได้เนี่ยก็คือเมื่อเราเปิดช่องช่วยเขาใช่ไหมถ้าเราไม่เปิดช่องชั่วเนี่ยเขาทาอะไรไม่ได้และวิธีการเอาชนะพวกมานก็คือจะต้องมั่นในความดีและถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ย ถ้าเรามั่นในความดีแล้วถ้าเรารู้ว่จิตเราอยู่กับเนื้อตัวศรัทธาวริยญาสติสมาธิปัญญาเรามั่นคงเ<ม>ชื่อเดยเลยว่าปลอดภัยพูดผีปีศาจมารทําอะไรไม่ได้เดี๋ยวนี้ก็อย่างนั้นนะมางคนบอกปมีอะไรที่ปะลาประหลาดนะไอ้เรื่องน่ากลัวน่ากลัวทั้งหลายเนี่ยรู้เลยว่าสิ่งเดียวที่จะ เป็นเครื่องปกป้องตัวเองได้เนี่ยไม่ใช่วระเครื่องในพูดึงชีวิตพระหรือไม่ใช่พระอยู่ในป่าเ น, นี่ยนะไม่ใช่อย่างอื่นไม่ใช่โทรศัพท์หรือไม่ใช่ร้องแร่แหกกระจึงแห่กระจึงแต่มันคือจะต้องยังธรรมะให้ปรากฏให้มั่นคงแล้วก็ปลอดภัยจริงๆถ้าจะแถมอีกนิดนึงว่าบางคนประพฤติรมแล้วเกิดกลัวกลัวอะไรแต่ อ, อะไรสารพัดอย่างนะ ที่จะกลัวเนี่ยถามว่าทำยังไงถึงจะหายกลัวอย่างดีที่สุดนะโดยหลักลงลงคือให้เกิดกุศลให้มั่นในได้แต่วิธีเนี่ยท่านนึกถึงพรุทธเจ้านึกถึงครูบ า, าอาจารย์ก็ทำให้เกิดกุศลบ้างแล้วก็ทำให้คลายกลัวได้บ้างได้บ้างหรือไม่ได้บ้างแต่ว่าถ้าใครเป็นคนที่มั่นในภาวนาธรรมนั้นอย่างดีว่าเป็นอะไรก็เป็นกัน เราขอดำรงสติสมชัญญาไว้ให้มันไม่ปล่อยอารมณ์กข้มาฐานไม่ทิ้งไม่หนีไม่หวานละแวงถ้ากาหนดจิตไว้ได้อย่างนี้อารมณ์ที่เลวลายหายได้พิเศษที่สุดคือเนี้ยข้อสคัญว่าถ้าตั้งไม่ได้เนี่ยก็ต้องหากุศลขั้นขั้นอื่นเราพอจะไปหน่วงอะไรมาให้เกิดกุศลได้ก่อนก็หน่วงอันนั้นแล้วค่อยมาว่าขั้นลึกต่อไป ผ่านเลยไปถึงเทวดาถึงพะระเทรฆยองค์หนึ่งองค์ที่ห้าสิบแปดองค์ที่ห้าสิบแปดชื่อว่ารมนียกุติกะกุติกะก็คืออยู่กุติแหละและรมนียะเนี่ยก็คือรมนียคือหน้ารื่นรมตรงนี้จะเป็นอุทาหรณ์อีกนะว่าการที่ผู้ปฏิบัตริทรรมอยู่ ในเสนาสะนะที่น่ารื่นรมกับอยู่ในเสนาสะนะที่เก่าคร่ำคร้าอันไหนจะชื่อว่าเป็นเสนาสะนะสัพเพยาคำตอบนั้นไม่เด็ดขาดตอบไปตามบุคคลอย่างรายนี้น่ะกลายเป็นสัพะพยาสำหรับท่านต้องฟังดูนะครับท่านรมนิยากุติกานี่มีประวัติเหมือนกับ องที่ห้าสิบห้าเป็นต้นมานะคือเป็นชาวเมืองเวสาลีแล้วก็ได้ออกบวชในคราวเดียวกันองนี้เมื่อได้บวชแล้วได้ไปอยู่ในกระท่อมแห่งหนึ่งใกล้หมู่บ้านในแควนวัชีใกล้ก็ไม่ใช่ใกล้ทีเดียวคือพอจะโครจมรมิถะบาได้สะดวกนี่กระท่อมที่ท่านอยู่หรือกุฏิที่ท่านอยู่เนี่ยเป็นกุฏิที่ พลาณาว่าสวยงามสวยงามก็คงจะงามยังไงเราไม่รู้นะงามแบบกุฏิแล้วบริเวณ ร, บรอบๆกุฏินั้นเป็นสวนที่รื่นรมมีสะที่น้ำใสสะอาดมีดอกบัวเรียกว่ารื่นรมเป็นทัศนียภาพที่รื่นรมและบริเวณโดยรอบ ก็มีภูเขามีหาดหาดทรายที่ทรายขาวสะอาดดีกุฏิหลังนี้ได้ตั้งอยู่ที่นั่นและเป็นที่พำนักปฏิบัติธรรมของพระคุณเจ้ารูปนี้ก็ฟังฟังแล้วแหมยังกับรีสอร์ทเนี่ยความจริงท่านพรานาย่อยย้อยกว่านี้เยอะเหมือนรีสอร์ทถ้าเราไปปฏิบัติธรรมที่รีสอร์ทเนี่ยก็ไม่รู้นะฮะว่าจะเป็นยังไง ก็บางคนก็อาจจะเป็นอย่างว่ามุกอาจจะเป็นอีอย่างก็ได้แต่ผลปรากฏว่ากุติที่สวยงามและแวดล้อมไปด้วยทัศนียภาพอย่างวิเศษเช่นนี้ ม, มีผลทําให้พระคุณเจา้าลูกนี้ได้บรรลุเป็นพระอารหาันต์โดยรวดเร็วแทนที่จะเกิดกิเลสตัณหาเกิดความกำหนัดกลับไม่เกิด เ, เรื่องนี้เราก็พอจะสันนิษฐานได้ว่า ท่านจะต้องเป็นคนมีจริตอย่างชนิดที่เรียกว่าถามว่าเป็นราคะจริตหรือโทสะจริตอย่างนี้เป็นโทสะจริตคนโทสะจริตอยู่กุติสะอาดสวยงามนั้นดีถือว่าสิ่งแวดล้อมนั้นช่วยส ก, กัดโทสากิเลสไม่ให้กำเริบแต่ถ้าเป็นคนราคะจริตแล้ว สิ่งแวดล้อมสวยงามนั้นทําให้ราคาําเริ่มเพราะฉะนั้นถ้าใครไปอยู่กุฏิอย่างนี้ต้องเวลาถ้าจะอยู่อย่างจําเป็นเนี่ยนะฮะเวลานั่งต้องนั่ง ห, หันหันหลังให้ทัศนียภาพอย่าหันหน้าหาทัศนียภาพไม่งั้นแล้วก็ราคาคาเริ่มเอออย่าไปดูอย่าไปรู้อย่าไปเห็นเดีย่ยจะเป็นประโยชน์กว่า แต่ถ้าเลือกที่จะไปอยู่ที่อื่นได้ก็ให้เลือกไปอยู่ที่อื่นเมื่อบรรุเป็นพระอรหันต์แล้วก็อยู่ที่ไหนได้ไม่ไม่แปลกเท่ากันหมดทุกที่เท่ากันหมดทีนี้เนื่องจากว่ากุติและบริเวณกุติของท่านสวยงามอย่างนี้นะได้มีคนเนี่ยมาชมกุติท่านเนืองๆบ่อยๆผู้ชายบางผู้หญิงบางคนแก่บางเด็กบางคนหนุ่มคน สาวบ้างก็บังเอิญว่าท่านโชคดีที่มีกลุ่มหญิงสาวกลุ่มหนึ่งที่ภาษาตำราใช้คำว่าเป็นหญิงนักเลงหญิงสาวนักเลงนะฮะเป็นภาษาฟังดูกอยังชั่วหน่อยถ้าพูดอย่างภาษาไทยชัดๆนั่นเดี๋ยวก็จะโกรธนะถึงจริงก็จะโกรธอ่ะก็มาแล้วก็เรียกว่าเป็นพวกอ่า เปรี้ยวจัดหน่อยแหละมาถึงก็มาชมกุติชมไปชมมาก็เลยอยากจะขออยู่กับลระด้วยบอกุติท่านสวยฉันก็สวยฉันก็สมควรจะอยู่กับท่านดีเนี่ยออหาเรื่องจะอยู่กับท่นก็บังเ อ, อิญว่าท่านเป็นพระหลานแล้วพอท่านเป็นพระหลานแล้วท่านถึงไม่ไม่รับไม่รับผูู้รับชายประจํากุติก็เลยพูดชี้แจงบอกกล่าว ให้หญิงกลุ่มนี้เข้าใจหญิงกลุ่มนี้ก็เมื่อพระทันชัดเจนอย่างนี้ตัวเิงก็ต้องกลับไปเลยไม่เกิดอะไรขึ้นนะเอเล่าถึงบุปกรรมว่าอาดีตของท่านเนี่ยท่านได้เคยสร้างเสนาสนะถวายพระพุทธเจ้าที่มีพระนามว่าอัฏฐทัตสี อก็เลยอาจจะจ้องต้องเรียกว่าเป็นกุศลนิบาตที่ทําให้ท่านมาได้กุติคือที่อยู่ที่น่าถูกใจที่น่าพอใจสิ่งแวดล้อมที่ดีเนี่ยเพราะว่าได้ทําเอาไว้กับพระพุทธเจ้าเราถ้าเราจะทําอย่างนี้ก็ต้องนึกปรารถนาว่าคือเวลาเราเราทําบุญอะไรอะไรเนี่ยบางทีเราลืมอธิษฐานสกัดอธิษฐานมุ่งผลแค่คุณค่าเชิงอวัตถุกรรม ว่าขอให้ได้บ้านสวยๆบ้านอยู่สบายให้ได้พาหนะดีๆให้ได้สิงง่งแวดล้อมดีๆต่างๆอย่างนี้อันนี้คืออธิษฐานมุ่งที่จะให้ได้คุณค่าทางวัตถุกรรมแต่ลืมคิดว่าสิ่งเหล่านี้ดีๆเหล่านี้นะได้มาแล้วมันทําให้ตัวเองเสียเสียธรรมะเสียนิสัยหรือไม่ต้องเติมด้วยครับว่า ขอให้สิ่งเหล่านี้ที่เราได้ดีๆซึ่งมีค่าในเชิงวัตถุกรรมเนี่ยขอให้ได้มาอย่างในฐานนะที่เป็นบาตรแก่ความดีของเราด้วยอย่าให้สิ่งเหล่านี้กลายเป็นยาพิษได้มาอย่างเป็นยาพิษมาทําลายตัวเองในภายหลังคนส่วนใหญ่นะ่ะเวลาได้กุศลวิบากแล้วกลายเป็นเครื่องทําลายความดีของตัวเองในภายหลังแต่นี่เป็นเรื่องที่น่ากลัวเพราะฉะนั้นเราก็เลยจับหลักได้ว่า บางคนบอกว่าฉันไม่อยากล้ามรวยชาติไหนชาตไหนเพราะฉันกลัวเมาฉันไม่อยากเป็นใหญ่เป็นโตไม่ว่าชาติไหนยัไนไหนฉันกลัวเมากลัวหยิงอ่าก็ก็ถ้าก็ถ้ากลัวก็อธิษฐานกันไว้สิแต่สิ่งเหล่านั้นมีนมันดีดีแล้วเรานึกอธิษฐานให้เป็นบาสให้ดีเนี่ยก็หมายว่าสิ่งเหล่านั้นจะกลายเป็นบาส ท, ที่เป็นประโยชน์แก่เราและแก่คนอื่นมากขึ้นไม่ใช่ไปกลัวแล้วก็เลยไม่เอาซะเลย อย่างนี้ก็เลยขาดเครื่องทุนแรงที่จะทำอะไรที่เป็นบาทแก่ตัวเองต่อไปผ่านเลยไปถึงพระเทละอีกอูคคือพระเทละองค์ที่ห้าสิบเก้ามีชื่อว่าโกสันละวิหารีคือพระที่อาศัยอยู่ที่แควนโกสลประวัติท่านเหมือนกับพระองค์ที่ห้าสิบห้าเป็นต้นมาแล้วครับเป็นชาวเมืองโกสเมืเองเอ ว, เา ว, เาวราลี แล้วก็ได้บวชในคราวดเดียวกับกับพระหลายๆรูปนั้นอันนี้ก็เลยทําให้เราเห็นว่าการพระผู้มีพระภาคเสด็จไปสู่ที่ใดที่หนึ่งทําการใหญ่อสําคัญสําคัญในเชิงประชสัมพันธ์ให้ผู้คนแตกตื่นมารวมมันอยู่ในที่เดียวกันในที่ใดที่หนึ่งเนี่ยจะมีคนติดร่างแหติดไข่ธรรมะเข้ามาครั้งละมากๆและที่เรากำลังพูดอยู่ถึงในตอนนี้หลายองค์เนี่ยก็ติดข่ายมาจาก การที่พระเจ้าเสด็จไปปราบไอยวาตกะโลกที่แคว้นวัชีนั่นเององค์นี้จึงเป็นอีกองค์หนึ่งที่ตามออกบวชในครั้งนั้นก็นี้เมื่อบวชแล้วท่านรูปนี้ไม่ได้ไปพำนักอยู่ที่แคว้นวัชีได้จาริกไปพำนักอยู่ที่แคว้นโกศลเป็นอีกแคว้นหนึ่งและการที่ได้ไปพำรรนักอยู่ที่แคว้นโกศนนั้นก็ได้อุปถัมภ์จาก ตระกูลของอุบาสกตระกูลหนึ่งคือตัวนั่นเองท่านไปจำพรรษาอยู่ในป่าเราแวกป่าแล้วก็มีตระกูลของอุบาสกผู้เลื่อมใสพระพุทธศาสนาให้การอุปถมัมภ์ธนุบารุงก็ก็คอยดูนะว่าท่านขาดเหลืออะไรก็พยายามที่จะให้การอุปถัมภ์บำรุงแล้วก็ครั้งสําคัญที่เกี่ยวกับท่านในตอนนี้ก็คือว่าวันหนึ่งอุบาสกมาหาท่านในป่า ก็มาพิจารณาเห็นว่าเอ๊ะท่านคงจะลําบากเนี่ยอาศัยอยู่แต่ที่โคนไม้เวลาฝนฟ้าตกหรือในบางการบางกร่าวเนี่ยท่านก็คงจะลําบากหน่อยก็คิดว่าเราควรจะสร้างกุฏิถวายท่านให้เป็นที่เป็นทางเ อ, อเมื่อปรึกษาแล้วก็ได้สร้างกุฏิถวายแล้วก็กุฏิที่สร้างถวายนั้นก็เป็นกุฏิที่สร้างเรียกว่ายังเป็นสัปปายะจริงๆถวายแก่ท่านให้ท่านได้ อยู่ปฏิบัติธรรมที่นั้นและเพราะสร้างกุฏิที่เป็นเสนาสนะปสัพพยานั้นทําให้ท่านได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ไม่นานคือรวดเร็วขึ้นอันนี้ก็กง่ายๆก็คือว่าได้เสนาสนะสัพพยาคือเอเป็นที่แน่ว่าเมื่อท่านปฏิบัติธรรมอยู่โคนไม้โคนไม้นั้นไม่เป็นสัพพยาแก่ท่านแต่เมื่อปฏิบัติธรรมอยู่ที่เรือนว่างที่เป็นสัพพยาเรือนว่างนั้นเป็นสัพพยาแก่ท่าน ท่านจึงบรรลุธรรมที่เสนาสะนะสั ป, ปะยะไอ้ตรงนี้เนะ่ยเราเอาพูดถึงประวัติพระเนี่ยเราพอรู้ใครเป็นใครนะแต่ว่าไอ้ตัวเราเนี่ยเราไม่รู้คือคนที่จ ะ, จะเจริญในธรรมแต่ เ, เรายกเสียว่าไม่พูดว่าที่สำนักไหนยังไงแต่พูดถึงว่าที่ไหนที่ไหนคือโคนไม้เราคิดไหมว่าเราไปนั่งอยู่โคนไม้ปฏิบททัติธรรมโคนไม้แล้วจะบรรลุถ้าบางคนเกิดไปแพ้ ไปแพ้ไอ้เรื่งองอะเกี่ยวกับต้นไม้ต้นไม้กลิ่นดอกไม้หรืออย่างที่บางคนเรามีไปนั่งโคนต้นไม้แล้วมีมแมลงร่วงลงมาเดี๋ยวก็โดนตรงนั้นโดนตรงนี้มดแดงร่วงลงมากัดตรงนั้นกัดตรงนี้มันก็ไม่เป็นสบายอะกับคนบางคนนะฮะด้วยเหตุผลเงืินไขในทางอากติร้ายบาปบางอย่างของตัวแล้วก็บางคนเนี่ยเขาเคยเ อ, อถ้าเคย มีความผูกพันสั่งสมมาเหมือนอย่างท่านขาวามปติท่านขาบลุในที่ดีโกนไม้อันนั้นก็กเรื่องของท่านทีนี้บางบา ง, บางองค์เนี่ยเคยทำบุญโดยกติทำความอธิษฐานเกี่ยวข้องบุญก็จ้องจะมาเอื้อมโวยความสะดวกท่านเหล่านี้เนี่ยเมื่อได้กุติที่เกิดขึ้นจากบุญด้วยแล้วก็สอดคล้องกับไอที่ปรารถนาไว้ด้วยนั่นอันหนึ่ง แล้วก็สอนครองกับอุปนิสัยด้วยก็ทําให้บางท่านเนี่ยเวลาบรรลุธรรมจึงมาบรรลุธรรมที่กุติที่เสนาสะนะที่สําเร็จด้วยบุญของตัวเองที่ได้ทํานี่ก็เลยเห็นว่าเออไอเราพูดถึงบุญคุณบุญคุณเวไนเวไนเนี่ยนะะมันมีทั้งเวไนไปผูกเกี่ยวข้องกับคนเวไนที่ไปผูกเกี่ยวข้องกับกรรมที่เราทําอาหารการกินอะไรแต่ะไรเนี่ยนะโอ้เราเราเนี่ยไม่รู้ ไม่รู้ถ้ารู้ท่าก็จะเลือกถ้าไม่มีใครสร้างกุฏิให้ก็จะสร้างของเราเองออกแบบของเราเองตามแบบบุญที่เราได้ทํำไว้เพื <c> ่อ <oughs> จะได้บรรลุเร็วขึ้นมัน่งก็เลยเป็นอันได้บรรลุไปและเมื่อได้บรรลุแล้วท่านจึงได้อุทานพลานาคุณของเสนาสนะสัพเพยะว่าเป็นที่เลื่อนลมแล้วทาให้บรรลุทําได้อย่างนี้ต่อไปองค์ที่หกสิบครับองค์ที่หกสิบเนี่ยเรามองชื่อแล้วเราก็ คุนหูคือท่านศรีวลีเราจะเกี่ยุณหูแล้ประวัติสั้นเราก็คงได้ฟังกันมาบ่อยๆแล้วแต่วันนี้นีก็จะพูดสักอีกทีแล้วก็มีเพิ่มเกร็ดบางอย่างพูดอีกทีก็พูดแตเพยงนิดหน่อยพ อ, อตัวท่านเองเนี่ยถือว่าเกิดในสกุลเจ้าโกริยะก็ถือว่าเป็นญาติญาติพระกุธเจ้าเหมือนกันญาติข้าง ครั้งภรรยาแหละแล้วก็ผู่เป็นแม่ก็คือนางสุปวารสาแล้วก็เรื่องที่น่าตื่นเต้นสำหรับชีวิตท่านในเบื้องต้นก็คือเมื่อท่านมาเกิดเนี่ยมาเกิดก็กุศลชะนกกรรมนํามาและพร้อมกันนั้นก็มีอุปปีลกรกรรมเข้าเบียดเบียนเลยกรรมอะไรรู้ไหมอุปปีรกรรมคือกรรมที่ เมื่อท่านได้เคยเป็นทหารได้รับคำแนะนำจากคู่เป็นแม่ชาติก่อนแล้วมาเป็นแม่ชาตินี้ด้วยแล้วก็มาเสวยบากรรมร่วมกันไปตีเมืองเมืองหนึ่งตีไม่หักไม่ได้พอปรึกษาแม่แม่ก็ให้คำปรึกษาว่าล้อมไว้ก็ล้อมไว้ในที่สุดก็ขาดแคลนสเสบียงเลยตีได้แล้วก็ เลยเป็นบุปกรรมติดมาทำให้ท่านสิวลีนั้นต้องมาติดอยู่ในท้องแม่ถึงเจ็ดปีคลอดไม่ได้ลาบากกันทั้งแม่ทั้งลูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่ลำบากหน่อยจนกระทั่งครั้งหนึ่งส่งพระสวามีไปเฝ้าพระผู้มีพภาคแล้วก็ฝากทูลถึงความลำบากของพระนางให้ทราบพระผู้มีพภาคก็ทรงตรัสอานวยพร ก็ขอให้คลอดบุตรโดยสวัสดีทั้งแม่ทั้งลูกพอตรัสขาดคำก็คลอดเลยเนี่ยเป็นเป็นเป็นหมอตำแยที่ทำํทำทาคลอดแหมง่ายเหลือเกินใช้ปุถานุภาพคือพระพุทธคือโดยธรรมดาเนี่ยพระพุทธเจ้าเมื่อจะทรงตรัสให้พรหรือตรัสอะไรที่เป็นไปได้เนี่ยนะฮะท่านจะดูความเป็นไปได้รู้ความเป็นไปได้เนี่ยอันหนึ่ง แล้วก็บางทีถ้าไม่รู้ความเป็นไปได้เนี่ยเหมือนกัว่าถ้ากรรมของบุคคลนั้นจะเป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้ก็มาสอดคล้องกับอ่กับคําพูดเหมือนกับว่าอ่ออทางคล้ายกคยได้ินชื่อใช่ไหมพ่อทางคล้ายเนี่ยพูดอะไรก็เป็นเป็นคนมีวาจาสิทธิแล้วก็ท่านพูดเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าท่านเลือกดูว่าวันนี้จะพูดคนนี้ว่าอย่างนี้คนวันนี้จะพูดคนนี้ว่าอย่างงี้วันนี้จะให้พรว่าอย่างงี้ คือถ้ามีวาจาศีลหมายเป็นคนที่มีพลังอำ น, นาจแล้วก็เลยกลายไปว่าคําพูดของท่านเหล่านี้นีะ่ะมีฐานะเป็นเหตุเป็นปัจจัยอันหนึ่งแห่งความสําเร็จของบุคคลหรือความอัจฉะของบุคคลนะฮะเหมือนกับกิเลสคนคนนี้มีกรรมจ้องจะให้ผลอยู่แล้วก็ไปสอบกล้องกิเลสค น, น, นไปสอบกล้องกับพฤติกรรมคนไปสอบ ก, ก, กล้องกันนู่นสอบกล้องกันนี่แล้วใครถ้ามีอคติหนือบาก อยาจะให้ผลเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ไปสอดคล้องกับถ้อยคําของท่านเหล่านี้ให้เป็นไปในลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าบางครั้งมีที่พระเจ้าท ะ, ะ่อคนเจ้าตัวเนี่ยอยากอย่างนั้นอย่างนี้มาแล้วท่านก็ทําให้ลืมซะบ้างหรืออไม่ได้พูดซะบ้างทําให้เกิดเหตุคาดแคล้วครับแล้วก็เลยแก้ไขปัญหาต่าง เลยทำเนียมพระพุทธเจ้ามีหลักอันหนึ่งว่าใครที่จะเกิดเหตุเพศภัยอะไรขึ้นเนี่ยคือพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงมีเมตตาจะช่วยแล้วก็มีพลังมากที่จะช่วยแต่คนที่เกิดเหตุเพศภัยมากๆเข้าไม่ติดเข้าไม่ถึงเพราะเข้าไม่ถึงเนี่ยก็เลยไม่ได้ช่วยแต่ว่าถ้าเข้าถึงแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าจะทรงปลาลบว่า ถึงว่าคนนั้นจะมีวิบากกรรมรุนแรงยังไงก็จะต้องพยายามช่วยเพราะอะไรเพราะห่วงคนที่จับจ้องมองดูว่าเอ๊ะทำไมคนนี้มาจะเป็นจะตายต่อหน้าพระพักเนี่ยพราะผู้มีพระภาคไม่ทรงช่วยเหลือก็เลยคลาดแคล้วไม่ได้เจอแล้วก็ไม่ต้องให้ใครเขามาตีจินตนาเกิดบาปว่าทำไมปล่อยอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนอย่างที่เราพูดกันนะ คือถ้าลองไม่รู้แต่แล้วก็ไม่ต้องไปพูดว่ากันอันนี้ก็เป็นเรื่องเงื่อนงําของกรรมที่จัดให้เป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้นั่นะเป็นส่วนของอกุศลวิบากแต่ส่วนที่เป็นกุศลเนี่ยครับที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดที่ถือว่าเป็นอ่าอุปรถรมพกกรรมคือเมื่อพระสีวลีมาปฏิสนธิทําให้ คำมารดาวงสาขนาญาติใกล้ชิดเป็นยังไงประสิวลีนี่ท่านมีดีตรงไหนมีมนลาบทำให้ลาบสกาละเนี่ยไหลมาเทมาลาบเยอะมีลาบมากจนกระทั่งไอความที่มารดาเป็นคนเรียกว่าเป็นคนมีมงคลทางลาบเนี่ย ญาติพี่น้องหรือคนที่เขารู้ปวก อ, ى, อนาประยาราชเนี่ยจึงจับเคล็ดได้อันหนึ่งว่าถ้าเราจะเพาะพอปลูกข้าวขอให้เอากระเช้าข้าวพันข้าวเนี่ยไปให้นางสุปวาสาเอามือลูก ถ้มือลูบแล้วผลผลผลิตเยอะแล้วก็รับรองว่าไอ้ข้าวที่นางเอามือลูบแล้วเนี่ยไม่เกิดเหตุเพศภัยรับประกันได้เลยแหมนี่ก็ชาวบ้านคงนึกว่าน่าจะไม่ต้องคลอดกันเลยนะอยู่ด้วยท้องอ่ะอยู่ักเบียนนานๆหน่อยได้ลูกมัไปเรื่อยแล้วก็ถ้าใครจะเก็บทรัพย์ เข้ายุงเข้าช้างก็จะขอให้นางสุปวาสาเนี่ยไปรูปประตูลูกกุญแจขมโมยไม่ขึ้นขโมยรักไม่ได้นี่นี่ทำเหมือนกับเจอมะสมัยก่อนไม่ใช่เจมิมใช้วิธีรูป